ร เ, เรียนรู้ตัวเองที่เรียนรู้ได้ยากที่สุดเกิดจากตรงจุดไหน น, นอกจากการเรียนรู้ตัวเองสมมติถ้าเรารู้แล้วนะยังเรียนรู้ยากได้อีกเนี่ยเกิดจากจุดไหนแรกเบื้องต้นไม่รู้เพราะความไม่รู้ใช่ไหม ท, ที่พมมันรู้แล้วนะแต่มันยังยากอีกเนเกิดจากจุดไห น, น เกิดจากจุดไหนเอาเราว่าการเรียนรู้ตัวเองที่มันยากคือมันไม่รู้ใช่ไหม ต, ตอนนี้เรารู้แล้วมันยังยากอีกเดี๋ยวมันเกิดจากจุดไหนฮะเกิดจากการชอบต่อต้านตัวเองอชอบต่อต้านในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตัวเองเนี่ยกับอีกอันหนึ่งคือ เวลาเมื่อเกิดดีๆก็ชอบหลงไปกับสิง่งที่ไม่เกิดบนตัวเองมันไม่มีใจยอมรับยอมรับที่จะศึกษาเนี่ยเนี่ยคือคือเหตุปัจจัยตัวหนึ่งนะอ่ะพระพุทธ ร, รูปนี่หนักไหมเฮ้ยถามแม่คิดบัางสิวะตอบทันทีเลย โมนี่ไม่ใิ่นักปฏิบัติเลยนี่มันหนักเพราะอะไรแล้วไม่หนักเพราะอะไรมันพระพุทธรูปท่านนั่งอยู่เนี่ยหนักไหมไม่หนักเพราะอะไรไม่ได้ยกใช่ไหมยังไม่ได้ยกแต่มันหนักแล้วอ่ะนี่ตอบถามพระพุทธรูปหนักไหมหนัก มีคนก็าถามพระพทธเจ้ากรถามลงพ่อเทียนพริกเผ็ดไหมเกลือเค็มไหมน้ำตาลหวานไหมหลวงพ่อเทนตอบยังไงรู้ไหมพริกไม่เผ็ดเกลือไม่ได้เค็มน้าตาลก็ไม่ได้หวานเพราะมันไม่อยู่ที่ลิ้นผมมันเผ็ดตอนไหนมันหวานตอนไหนมันเค็มตอนไหนอ่า ที่ท่านบอกว่าความทุกข์มันเหมือนพระพุทธรูปนี่แหละทุกเรื่องบนโลกเนี้ทุกเรื่องบนโลกนี้มันทุกทุกเรื่องความคิดอะไรก็ตามมันทุกทุกเรื่องแต่ตัวมันน่ะตัวของทุกสภาวะน่ะมันทุกทุกอย่างเลยนะคุณจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจะยอมรับก็ตามไม่ยอมรับก็ตามมันจะเป็นก็มันอย่างนี้แหละสมมติว่าเอแล้วผิวข้าวเนี่ย แล้วจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ยังอยู่อยู่นั่นแหละมันจะหนาวเนี่ยมันจะคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็หนาวขอมันอยู่อย่างนี้แหละคุณนั่งแล้วเดี๋ยวมันเจ็บเนี่ยคุณจะชอบไม่ชอบมันก็เจ็บมันอยู่อย่างนี้แหละแต่ทําไมมันมีปัญหาตรอบๆอยู่จังหวะไหนอยู่จังหวะไหนจังหวะที่คุณไปยกมันน่ะ จังหวะที่คุณไปะยกมันน่ยพระโพธรูปก็นั่งอยู่อย่า ง, างนั้นแหละจังหวะที่คุณไปะยกมันน่ะอยากเอาออกก็อยากเอาไว้เมื่ อ, อไรกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นในตัวคนเองเนะี่ยนั่นแหละทันทีเลยแหละจริง่วงเนี่ยอยากขายง่วงเนี่ยโอ้โหมันหนักมากเลยนะเขาบอกว่าอย่าไปะยกมันให้เดินออกมาจากมันซะยอมรับ แต่ไม่ใช่เอาใจไปรองรับเข้าใจในาพูดนี้ไหม ย, ยอมรับทุกสภาวะแต่อย่าเอาใจไปรองรับถ้าเอาใจไปรองรับเมื่อไหร่แล้วก็ทุกทันทีจังหวะความทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้ยอมรับทุกเรื่องราวของชีวิตแต่อย่าเอาไปรองรับว่าเรื่องนี้เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาไงภาวะเนี้ย ถ้าภาวะนี้นะการสร้างเหตุปัจจัยของการตื่นรู้ไม่เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีแต่รองรับความคิดไม่ใช่ทุกในตัวความคิดเป็นทุกขอยู่แล้วแต่เอาใจไปยุ่งกับมันเมื่อไร่มันจะเป็นทุกข์เข้ามาทันทีเพราะเอาใจไปรองรับอารมณ์ไงปัญหาของเราทั้งสดทั้งหมดเนี่ยนะมันอยู่ที่อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่เราชอบเอาใจไปรองรับอาการหล่อ น, นั้น เราจะมีปัญหาตรงจังหวะนี้แหละจังหวะที่เป็นทุกข์เพราะจังหวะที่เราเอาใจเข้าไปรองรับมันแทนที่จะหนาวนีไม่ใช่สั่นเพราะประมาทก่ อ, อนที่สั่นเพราะประมาเนี่ยเอาใจมันจังหวะของมันอยู่ที่ว่าคุณจะสิ่งนี้มันจะเป็นขึ้นมนอย่างนี้แหละแต่คุณจะทำยังไงกับมันว่าคุณจะเอาใจไปรองรับมันหรือเอาใจออกจากมันเยิย ง่วงก็ดีคิดก็ดีปวดเมือาา่อยอะไรอาการทั้งหลายทั้งวงทั้งร่างกายทั้งภายในทั้งภายนอกนี่เป็นยังไงแหละมันเป็นทุกข์ทั้งหมดอะไรเทาคุณเอาไปรองรับเมื่อไหร่จะเป็นทุกข์อีกอันหนึ่งเขาเรียกทุกข์อยสัตว์จะเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ทุกข์โดยธรรมชาติคืออันนี้จังทุกขังอนตัตตนี่เป็นเรื่องของปกติที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติพระเจ้าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ววันนี้เรารู้จัก เหตุของตัวตื่นรู้ไหมเหตุของตัวตื่นรู้เนี่ยอยู่ที่ไหนเราจะไปหาเหตุของการง่วงเหตุของการคิดเหตุของนี่เหตุของการตื่นรู้มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่รู้นั่นแหละเหตุของการตื่นรู้มันก็อยู่ที่รู้นั่นแหละ อยู่ที่รู้นั่นแหละเหตุของการตื่นรู้นะ่ยอยู่ที่รู้และเหตุของการที่ไม่ตื่นรู้อยู่ที่ไหนได้ที่ก็ <c oughs> อยู่ที่มันไม่รู้นั่นแหละ <c oughs> แต่ปัใจจัยในการประกอบเหตุให้ตื่นรู้ละ่ะคืออะไรเรารู้และนะเหตุของการตื่นรู้คืออยู่ที่รู้เหตุของการที่ไม่รู้ไม่ไม่ตื่นรู้คือไม่รู้ ปัจจัยประกอบในการตื่นรู้คืออะไระวันนี้เราจะต้องเรียนถึงปัจจัยประกอบว่ามันเราจะรู้จักว่าเวลาเราจะสร้างตัวรู้เนี่ยสร้างที่ปัจจัยประกอบเราไม่ได้ไปสร้างที่ที่ตัวรู้อเราสร้างที่เหตุให้เกิดตัวรู้ไม่ต้องไปสร้างที่ตัวรู้แล้วตัวรู้จะเกิดเองมันต้องนีแล้วรู้ไว้ว่าเหตุที่ทําให้เกิดตัวรู้อยู่ที่ไหน ร, รู้แล้วว่าตัวรู้นั่นแหละดีแต่เหตุที่ทําให้ตัรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยทายังไงอยู่ที่ไหนเ <Okay. S 1> ดีไม่รู้อยู่ๆก็ฟุบขึ้นมาเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ก็โล่งขึ้นมาเฉยเลยแล้วเดี๋ยวก็มืดเหมือนเดิมอีกเนี่เขามันไม่ทําเหตุวันนี้เราต้องเรียนเรื่องเหตุนะเพราะถ้าเราไม่เรียนเรื่องเหตุเข้ามันปุ๊บเนี่ยมันจะ เวลาไปทําแล้วเฮ้ยเราจะประกอบเหตุอันนี้ได้ยังไงมันจะไม่รู้จักรู้แต่ผลว่ามันดีแต่ไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของมันดียังไงเมื่อเรารู้ว่ามันง่วงแต่ไม่รู้ที่ไปที่มาของง่วงเราอาจจะเวลาง่วงเราอาจจะแช่เกินไปอาจจะหนืดเกินไปไม่เปลี่ยนอิยาบทอะไรพวกนี้ยมันเลยทําให้ความง่วงก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นต่อตัวขึ้นมีกําลังขึ้นสมยอมกับมันมากเกินไปไม่สลัดตัวเองออกมาเหตุเกิดตัวรู้อยู่ที่ไหน โ, โอ้ไอ้ที่ไม่ใช่ตัวรู้ทั้งหมดนั่นแหละเป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดตัวรู้อ่ะอาการของชีวิตทั้งหมดที่มันเกิดอยู่นี้หนาวมันกระตุ้นมาให้รู้เนี่ยเคลื่อนกระพริบไอ้การเคลื่อนไหวของร่างกายที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยกระตุ้นให้เรารู้นะ่ะไอ้ตัวที่ไปรู้อาการเหล่านั้นนะ่ยอาการที่ไม่ใช่ตัวรู้ทั้งหมดนั่นแหละมันทำคือเหตุให้เกิดตัวรู้แต่ถ้าไม่รู้จักก็เป็นเหตุให้เกิดตัวหลงอีกมันเตือนขั้วกันอยู่ตรงเนี้ย เหตุให้เกิดตัวรู้ทั้งหมดรอบๆตัวทั้งน้ความคิดและอารมณ์ตั้งหลายท้งโพงที่เกิดขึ้นมานั่นแหละเขามาสะ ก, กิดให้คุณรู้แต่คุณกลับไม่รู้คุณกลับไปได้หลงซะอีกนี่ต้องดูเหตุมาดีๆเหตุปัจจัยเหตุเหตุของตัวรู้คือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวทั้งหมดเลยอาการของร่างกายเนี่ยอาการของร่างกายที่ พยายามเน้นกันบอกว่าเนี่ยให้สนใจอาการของร่างกายเพราะอาการร่างกายทั้งหมดที่ตอนเนี้คุณรู้ไหมว่าเย็นเนี่ยแล้วตัวเย็นนี่ใช่ตัวรู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่เป็นอาการทําให้น่ารู้สึกว่าเย็นอย่างเงี้ยเวลาคิดขึ้นมาก็รู้ว่าคิดไหมก็อาการของความคิดขึ้นมาทําให้เรารู้ว่าคิดเวลามันโกรธขึ้นมาเวลาโกรธขึ้นมาปุ๊บอะ่ะมันก็คืออาการหนึ่งที่ทําใหเรารู้ว่าโกรธ นี่นี่จะไปเรื่องเกียรติเหตุสิถ้าเรื่องเกียรติไอ้ทุกอย่างปุ๊บก็ไปทะเลาะกับไอ้พวกที่บ่อยๆเขาก็จะไม่เจอแล้วและอีเหตุตัวหนึ่งเนี่ยคืออาการรอบๆตัวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดถ้าเราแบ่งแล้วมันมี2กลุ่มที่จะกระตุ้นให้เราเกิดตัวรู้นะ่ะแบ่งได้เลย2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของตาหูจมูกลิ้นกายที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสที่เกิดในปัจจุบันเนี่ย ที่เกิดในขณะปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันบ่อยๆนี่อันนี้คือกลุ่มหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของความคิดความง่วงอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยมันก็กระตุ้นที่เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาพอๆกับตื่นหลงและจังหวะรู้กับหลงมันมันชิงกันเอาชิงกันเอาแต่คนจะหลงนานกว่ารู้ ทำให้ใจยอมรับสภาพของชีวิตที่มันเป็นทุกข์ผลสทายทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยกระตุ้นให้คุณออกจากทุกข์ต้องเข้าใจดีๆนะต้องขอบคุณความทุกข์เพราะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยกระตุ้นให้คุณเกิดการหาทางออกจริงมันนั่งอยู่นี่งไงแต่หลายคนไม่รู้จักก็ต้นใส่เข้าไปอีกยิ่งหนักไปเรื่อยๆยิ่งเข้าไปเรื่อยๆแล้ว ปัจจัยประกอบตัวที่สองคือเนี่ยอาการต่างๆที่มันเกิดทั้งหมดนี่แหละคือคการกระตุ้นให้ตัวรู้ได้เกิดขึ้นมาและเหตุตัวที่สองคืออะไรเหตุตัวที่สองคือตัวปัจจุบันปัจจุบันที่มันกําลังกําลังมากระทบสัมผัสกับเราเนี่ยทําให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาปัจจัยตัวที่สามคือความรู้สึกที่รักขณะ ทีละขณะปัจจุบันคือมีมีความรู้สึกทีละขณะทีละขณะปัจจุบันกับทีละขณะอันเดียวกันนะความรู้สึกทีละขณะทีละขณะทีละขณะทีละขณะจังหวะทีละขณะนี่แหละมันจะชิงกันระหว่างรู้กับหลงถ้าจังหวะรู้ปุ๊บตื่นขึ้นมาถ้าจังหวะหลงปุ๊บหลับต่อพอหลงไปปุ๊บ ก, ก็จะไปรองรับอารมณ์เหมือนเดิมที่พูดเมื่อกี้พอรองรับอารมณ์บนเดือปุ๊บ ก, ก็ย้อนเข้าไปใจก็ต้องปิดทุบพรอเอาใจไปรองรับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เอาใจรู้อารมณ์ มันก็เลยเป็นทุกข์ดังนั้นวันนี้เวลามาปฏิบัติปุเราอาจจะใช้เวลาในการศึกษาที่ไปที่มาของแต่ละเรื่องย า, อ ย, ยาวหน่อยยาวหน่อยยอมให้มันทุกข์สวันนี้แล้ววันหน้าจะไม่ทุกข์หรือจะยอมให้มันสุขวันนี้แต่วันหน้าทุกข์แต่เป็นจะเป็นจะตายเนี่ยยอมเรียนรู้ตัวเองสะวันนี้ยอมแก้ไขพฤติกรรมในจิตสะวันนี้วันหน้าคุณจะสบายเรื่อย เพราะถ้าคุณออกจากทุกข์ได้คุณก็จะมีความสุขความสุขมันเกิดจากการออกจากความทุกข์นู่นไม่ใช่ความสุขเพราะมีทุกข์เยอะๆแในพวกเรานะ่ะชอบนะไอ้ความสุขที่เกิดจากทุกข์เยอะๆสะเก็เห็นไหมอันไหนที่เกิดภาวะที่อารมณ์ตัวเองชอบใจนั่นแหละนั่นแหละคือภาวะของความสุขของคุณที่มันเป็นทุกข์เยอะๆคุณก็จะพยายามพ่อคุณความชอบใจของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ แต่ความชอบใจของคุณอะ่ะมันมีแน่นอนไหมฉันชอบใจบางอย่างพอได้บ่อยๆเป็นไงเบื่อเปลี่ยนไปอีกไม่ชอบใจใหม่ๆและการเปลี่ยนแต่ละเรื่องมันเป็นการสร้างเหตุปัจจัยประกอบในการที่จะประกอบทุกคือภาระเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อเรื่อเรื่อยือ ย, ย, ยไม่ได้มีลดลงนะไม่ได้มีลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราหยุดพฤติกรรมในการที่จะ ไปเอาภาวะของธรรมชาติที่มันเป็นทุกข์ทั้งหมดเน่ยทั้งจะเป็นอารมณ์เวทนาที่เป็นสุขเวทนามันก็เป็นทุกข์ทุกขเวทนามันก็เป็นทุกข์อีกและไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นทุ ก, ท ก, ข, ก, ท ก, กข์ ม, มนนันอีกเคียงแต่เอามาเป็นเครื่องมืออย่าไปรองรับมันแต่เอามาศึกษามันพวกนี้เข้าใจกันไหมเนี่ยโหสา ให้มันเห็นให้มันชัดๆว่ามันอะไรเป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ยให้ตื่นเอาเอาตัวรู้ที่เราฝึกมาเนี่ยรักษาอารมณ์ตัวรู้ให้ดีว่ะคือให้มันสนใจความเป็นปัจจุบันมากเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเปิดใจยอมรับอย่าไปทะเลาะกับทุกอย่างอย่าไปทะเลาะคุณไม่มีวันชนะมาหรอกแต่มาทะเลาะมา20ปีแล้วทะเลาะกับความคิดทะเลาะกับอารมณ์ทะเลาะกับทุกอย่าง อยากได้อะอยากได้อยา่อยางที่เราอยากได้ทั้งหมดตำแหน่งคนสุดท้ายมันไม่ให้เราหรอกมันไม่ให้เราหรอก <c oughs> มันจะเป็นไปตามวิมันจะเป็นไปตามอะไรเหตุ <c oughs> ปัจจัย ข, ของมันมันไม่สนใจเราหรอกเราเคยเห็นไหมบางครั้งเรามีความสุขเยอะๆเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราใช่ปะ่ะเราเห็นไหมไมันก็หนีปัดก้นหนีไปไหนก็ไม่รู้ไม่เคยขอยเราสักวันหนึ่งไอ้ตอนมามันก็ไม่เคยขออนุญาต ตอนไปเมื่อเคยลาที่ซ้าไปมันมีมันมีมรารยาทไห ม, มเสียมรารยาทที่สุดเลยมาก็อาจจะเคาะประตูสักหน่อยหนึ่งก็โจมเข้ามาในใจเลยรวดเข้ามานั่งเฉยไม่มีมรารยาทเลย mm hmm. เพราะอะไรเพราะคุณใจคุณมันมันไม่รูใจคุณคุณเองคุณใจคุณไปยอมรับมันเลยเข้าบันั่งในใจคุณง่ง่ายๆแต่ถ้าคุณตื่นขึ้นมานะเฮ้ ไม่ได้เว้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่เอาเนี่ยนี่คือการปลุกตัวรู้สึกตัวให้มันตื่นขึ้นมาเห็นอาการของชีวิตนี่แหละแล้วจะขอบคุณว่าที่มันเกิดอยู่นั่นแหละดีแล้วดีแล้วเขาคือครูกำลังสอนความเป็นจริงให้แก่ใจเมื่อใจมันรู้จักแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปสอนมันอีกไม่ต้องไปสอนอีก เวลาเกิดอันตรายเนี่ยเวลาเราเพื่อเราโตขึ้นแล้วเราเปลี่ยนกระบวนการชีวิตเราเรียนรู้มาเสรียบร้อยแล้วทำไมเด็กๆ เ, เราไม่รู้อะไรเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายใช่ไหมเราก็เอาหมดทุกอย่างจะเป็นงูเป็นอะไรต่างๆเห็นนล้วเราจะจับเล่นแต่พอโตขึ้นมาเรารู้แล้วใช่ไหมถ้าเห็นสิ่งนั้น่ะเราจะเข้าไปใกล้ไหมทําไมถึงไม่เข้าไปใกล้ทําไมถึงกลัวมันกัด เพราะมันรู้ไงมันรู้ว่าเออเนี่ยมันมีคิดนะนี่มันเป็นอันตรายนะแล้วคุณจะเข้าไปใกล้เหมนไหมที่ไม่เข้าใกล้เพราะไม่รู้แต่เด็กเล็กๆที่ยังไม่รู้เรื่องเลยเป็นยังไงไม่รู้เหรียญบาทกินไม่ได้มันก็จับใส่ปากใจที่เป็นเด็กก็ใจประเภทนี้แหละใจที่มีโตอะอารมณ์อะไรอะไรก็จับมาใส่ตัวเองหมดแล้วมันนั่งซุม อ, อยู่นั่นหน นั่งเศร้า อ, อยู่นั่นแหละแล้วก็มาโวยวายอยู่นั่นแหละแล้วก็เอาต่ออีกเนี่ย เ, เป็นเด็กที่ไม่รู้จักไนงะใจที่ไม่โตใจที่ไม่ได้เกิดมาเรียนรู้ตัวเองเลยจึงเป็นใจที่ใจที่ไม่ได้ฝึกดีแล้วนําทุกมาให้ใจที่ฝึกดีแล้วฝึกเรียนรู้สภาวะบ่อยๆเขาเดี๋ยวมันรู้จักนี่โงแนละ้วมึงอย่าไปเอาแล้วมันจะรักษาตัวมันเองไม่ใช่เรารักษานะเพราะเราสร้างเหตุให้มันได้เรียนรู้เต็มที่แล้ว ตัวมันนจะรักษาตัวมันเองไม่ใช่เราไปรักษาเหมือนเราพอโตขึ้นแล้วเป็นยังไงใครจะมาทำร้ายเราเห็นก็ถือมีดมานี่เราทํำยังไงทําไมถึงรู้จักก็ต้องระวังตัวเองเฮ้ยไม่น่าไว้ใจเลยวะแต่ทำไมถึงรู้ล่ะทําไมถึงรู้เพราะได้เห็นเหตุการณ์อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราฝึกปฏิบัติก็เหมือนกันอย่าปฏิเสธอารมณ์ อารมณ์แต่ละอารมณ์เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์กำลังให้จิตได้เรียนรู้มันจิตกำลังจะเรียนรู้มันอยู่คุณอย่าไปปฏิเสธอย่าไปเลือกฝึกเผชิญมันไปเลยแต่ต้องมีจังหวะที่ดี่วเฮ้ยต้องมีที่อยู่ให้ดีคืออยู่กับอยู่กับอาการของร่างกายไปก่อนเอาอาการของร่างกายเพราะมันไม่หลอกลวงดีแล้วก็เห็นอาการของ ที่มันคิดมันลิฟไปด้วยแล้วก็เห็นพอสุดท้ายเห็นไปเห็นมาเห็นมาเห็นไปมันจะได้คําตอบได้คำตอบว่าทุกเรื่องเป็นทุกอย่างที่ว่าเนี่ยเหมือนพระพุทธรูปที่ถ้าเราเขาเป็นก้อนทุกทั้งหมดเลยทุกสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นก้อนทุกทั้งหมดเลยแล้วทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตัวอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เคยคงที่ และทุกเรื่องที่เกิดข right. ึ้นมาปุ๊บเนี่ยม uh ันจะเป็นเรื่องโดดโดดเดียวเดียวล้วนไม่ได้ปัจจัยประกอบเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อปัจจัยปัจจัยประกอบมันสลายตัวพวกมันก็จะหายไปเข้าใจนะเข้าใจเดี๋ยวไปทําก็เหมือนเดิมอีกที่ฟังยังดีดีแต่ลงมือก็มั่วเหมือนเดิมนี่แหละมันเข้าทางมันสมองนี่กับเข้าทางจิตใจนี่มันคนละเข้ากันไง เขาทางการฟังเนี่ยมันเลยกลายเป็นกลัน่นเป็นความคิดแต่ถ้าพาจิตไปประสบประสบกับเหตุการณ์บ่อยๆเนะี่ยมันจะเข้าทางจิตอย่างไ ป, ปเผชิญกับความวง่วงเผชิญกับความเบือเ่อเผชิญกับความขี้เกียจเผชิญกับความอึดอัดขัดเกลอเผชิญกับความเบาคว า, ามโปวดความโรคความสบายแล้วเห็นมันหายไปหายไปหายไปแล้วนั่นแหละใจจะเริ่มไม่เอาตัวมันเหมือนกับใจจะเริ่มไม่เข้าไปยกอะไรพวกนี้แล้ว ปล่อยให้พวกนี้มันมันแปลสภาพตัวมันเองแค่แค่ดูการแปลสภาพของมันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั่นแหละมันจะเริ่มรู้จักเวลามันเข้าไปรองรับนะมันจะสะดุ้งตัวมันเองกลับออกมาทิ้งอย่างรวดเร็วโดยที่เรายังไม่ทันได้ทิ้งด้วยซ้ำไปมันทิ้งก่อนเพื่อนฉั้นต้องสอนให้ใจฉลาดนี่ตัตงมาจริงๆเอ๊่ร่างกายร่างกายนี้มันรู้นะมันรู้นะเวลามันยกอะไรหนักๆนี่มันรู้ทันทีแล้วร่างกายเนี่ย มันรู้จักวางนะจิใจเวลามันหนักอารมณ์มันหนักหนักทำไมมันไม่วางนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาไม่สอนมันนะถ้าไม่พามันฝึกนะมันจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาเลยมันอาจจะฉลาดทางภายนอกแต่จิตวิญญาณวนอยู่กับเรื่องเก่าๆของตัวเองซังเกตเห็นไหมมันเรื่องใหม่หรือเรื่องเก่าโลภโกรธหลงเนี่ยอะแล้วเราทไมกินไม่เลิก น่ยมันมาแต่ละทีเนี่ยถ้ามันดูให้มันชัดๆแล้วเนี่ยเอ้ามันเรื่องเก่านี่หว่ามันมีหลาเรื่องอ้ามันเรื่องเดิมนี่ว่าพขาดูแบบมันเรื่องเดิมแล้วก็เป็นแบบเดิมแล้วก็หายไปเหมือนเดิมแล้วก็เกิดอีกแบบเดิมวนๆอยู่อย่างนี้เองเนี่ยพอมันเห็นอย่างนี้โอ้ตัมมาเลยบางทีนึกถึงเนี่ยถ้ามันเห็นบ่อยๆนะมันเหมือนกับเราวันนี้ก็ให้กินไข่ต้มเช้าก็ไข่ต้ม กางวันก็ไข่ต้มเย็นก็ไข่ต้มพรุ่งนี้ก็เอาอีกอาทิตย์นี้ก็เอาอีกเดือนนี้ก็เอาอีกมันจะเป็นยังไงทีนี้เห็นไขรพี <c oughs> ่พระรูปหนึ่งก็อยู่ป่าพระรูปหนึ่งไปอยู่ป่าเอเดินๆได้กินข้าวแล้วลืมกินข้าวลวัไปอยู่ป่ากับชาวเขาอ ย, อยู่เนี่ยเนี่ยมันวุ่นวายเหลือเกินมันสับสนเหลือเกินมันหาความสงบไม่ได้ ถ้อยู่ป่าดีกว่าที่ไปอยู่กับชาวเขาเชาวเขาก็รู้อยู่เขาก็มีฟักทองโต้มวินธมาค่ะได้ฟักทองโต้มวันที่สองก็ฟักทองโต้มวันที่สาก็ฟักทองโต้มอาทิตย์หนึ่งก็ทักฟักทองโต้มเดือนหนึ่งก็ฟักทองต้มผลสุดท้ายแหกพรรษาเพราะฟักทองต้มไม่ไหวเนี่ยทําไมทําไมมันมันเบือ่อ เนี่ถ้าเราเห็นตัวชัดๆนะเนี่ยมันกรดกี่ทีกี่ทีก็แบบนี้แหละพงสานกี่ทีกี่ทีก็แบบนี้แหละกลัวกี่ทีกี่ทีก็แบบนี้แหละอยากกี่ทีกี่ทีก็แบบนี้แหละนะถ้ามันเห็นแค่นี้นะมันเห็นนี่ชัดเจนบ่อยเข้าบ่อยเข้าแหละมันเบื่อโดยเราไม่ต้องไปบอกให้มันเบื่อแต่ทุกวันเนี่ยมันไม่จะเบื่อเพราะมันมีธรรมชาติของใจมันมีสองตัวธรรมชาติของใจที่เข้าไปเรียนแบบอารมณ์ กัธรรมชาติของใจที่เรียนรู้อารมณ์เราต้องการเอาธรรมชาติของใจที่เรียนรู้อารมณ์ไม่ใช่เอาธรรมชาติของใจที่เรียนแบบอารมณ์นีมันเรียนแบบอารมณ์มันเลยทําให้กายกรรมกับวจีกรรมมโนกรรมเราทําตามอารมณ์นั้นนั้นเรากำลังปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาเพื่อเรียนรู้อารมณ์ไม่ใช่ไปเรียนแบบอารมณ์มันเบื่อก็เรียนแบบเบื่อก็เลยเบื่อไปด้วยมันอยากก็เรียนแบบอยากก็เลยอยากไปด้วยเข้าใจหลักการนี้ไหม นี่แหะคือเหตุผลทั้งหมดทําไมต้องมันนั่งงงง้าอยู่เนี่ยขี้เกียจะตายมันนั่งเคาะแป้งแป้งแป้งเด็ก เ, เล่นอยู่เนี่ยนีแต่เล่นแบบเนี้ยมันทําให้จิตเนี่ยตื่นขีขึ้นขี่ขึ้นขีขึ้นเพื่อจะปลุกธรรมชาติทําการเรียนรู้อารมณ์ขึ้นมาในใจใจวันนี้2ตัวมันต้องเอาตัวมันเนี่ยเรียนรู้มันมันจึงจะเกิดกัน พัฒนาเข้าใจใช่ไหมให้ตั้งใจวันนี้อย่ามางองแงพอดนีเออ่เวลามันคิดอะไรก็ให้มันคิดไปแล้วเออรู้แล้วก็คิดก ล, กลับก่อนลับก่อนเพื่อปลูกธรรมชาติของการรู้อารมณ์ขึ้นมาธรรมชาติของตัวรู้อารมณ์ที่เรามีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นมาเห็นเห็นแล้วไม่ต้องไปห่วงหรอกนั่นคือเหตุปัจจัยถ้ามันเห็นปั๊บเนี่ยมันจะออกเอง ไม่ต้องไปให้มันออกให้มันเห็นจริงๆเถอะนั่งดูมันเลยง่วงก็นั่งศึกษาดูซิว่ามันศึกษามันอย่างเต็มที่เลยไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้แต่ดูมันไม่ต้องปฏิเสธมันอาปรับเปลี่ยนช่วยหน่อยช่วยหน่อยดูมันว่ามันมันก่อนเข้ามาเป็นยังไงเพราะอะไรมันจึงเข้ามาหายไปเป็นยังไงวันนี้เราจะเรียนขั้นตอนที่สองที่สองใหัดนะโอเคพอเข้าใจละ นั้นปัใจจัยในการที่จะฝึกตัวรู้ก็มีอยู่แล้วรู้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องเกิดไอ้เรื่องพวกนี้แหละมันจึงรู้นั้นอย่าไปห่วกมันแล้วก็สนใจความเป็นปัจจุบันคือคานทีละขณะทีละขณะขให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มันตื่นบ่อยๆให้มันตื่นบ่อยๆนะแล้วก็พลิกอย่าไปเรียนแบบอารมณ์รู้จักเรียนแบบไหมรู้จักเรียนแบบ เรียนแบบอารมณ์สังเกต ด, ดูนะเวลาโกรธก็เรียนแบบโกรธไงเราเลยโกรธเวลาอยากก็เรียนแบบอยากเราเลยอยากไงสังเกตเห็นไหมไปเรียนแบบอารมณ์แหะทั้งที่มันเป็นแค่อารมณ์ไม่ใช่เป็นใจสักหน่อยเราก็หัดมาอย่าไปเรียนแบบมันแค่รู้มันเออนี่พฤติกรรมมันแล้วเราจะรู้สึกเว่าภาะวะนี้เองคือภาะวะของการตื่นรู้ขึ้นมาปลุกธรรมชาติของใจที่เป็นการตื่นรู้ขึ้นมาให้ได้ และเดี๋ยวมันศึกษาเองเรามีหน้าที่ปลูกมันจี้มันบ่อยเอาละเชา้านี้เอาแค่นี้นะเราจะได้ไปทําธุระส่วนตัวแล้วก็เตรียมทานอาหารทานอาหารก็อย่าลืมหัดรู้ให้หมดได้กลิ่นยังไงได้รสยังไงอะไรยังไงอย่าให้บอกบ่อยบอกแล้วหัดเลยบอกแล้วหัดเลยวิธีสังเกตกลิ่นเป็นยังไงรสเป็นยังไงให้มันเรียนรู้อาการบ่อยๆบ่อยๆนั่นแหละมันจะตื่นขึ้นมา นกะาการพระพร้อกันเอครั้